บุกทูหกสิบหกเส้อสต์อิเชสต์เสสต์อิเชสต์สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งริสวุนิซาเคนกีเอเดนริสวุนิซาเคนกีเอเดนผมของผม Yes, м o й Yes, мой. ผมหากุญแจของผมไม่พบ。ไม่สามารถที่จะหาได้กุญแจของผมไม่พบ。ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ。ไม่สามารด้ คุณของคุณที่ ท, ทีทวยคุณหากุญแจของคุณเจอไหมกูไนยเยดกลิทวอยอดกลุช ค, คุณหาตัวรถของคุณเจอไหมกูไนเดลิทวอยอดวอซนบิลท กเรวูซขาของเขาตัวเนโกฟ i ั a เนโ e ฟคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนคุณทราบไหมว่าตัวรถของเขาอยู่ที่ไหน з н а e š li k a д е n e е o v er, i o t vozen billet? เธอของเธอ ta n e z i т ta n e и i n เงินของเธอหาย n e t e p a r e ma n e และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยไอเนซินาตาเครดิตนาคาร์ต <practiced> ิชกาเนอเนาเรนามาเราของเรานี้นาชคุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย ดดคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีนาชิตาบาบาเอสดราวคุณหนูของหนูเวีว๋เเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน เดซ่าค่ะเดวตตโกเด็กเด็กคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนเดซ่าค่ะเดตไมค้าเดซ่าคเดว่าชตาไม